ที่นี้นะเชื่อว่าทุกคนปรารถนาความสงบไม่งั้นเราก็คงไม่มากันถึงนี่ความสงบที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอย่างแรกก็คือความสงบของสถานที่หรือว่าสภาพแวดล้อมที่สงบ หลายคนมาที่นี่ก็เพราะว่าเห็นมันเป็นป่านะป่านี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสงบใจเราได้ไกลาจากความอึกระทึกจอแจไม่มีเสียงรบกวนมากมาจากเสียงธรรมชาติซึ่งมันก็ เป็นเสียงที่ซ้ำๆความสงบด้านสิ่งแวดล้อมนี่เราเรียกว่าทางพุทธศาสนาเรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกอันนี้รวมถึงาการที่ไม่มีสิ่งมารบกวนตัวเราด้วยไม่ใช่ไม่มีคนมารบกวนเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัต นะไม่มีการคลุกคลีกันอันนี้ก็เป็นความสงบด้านสิ่งแวดล้อมแต่สมัยนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาถึงนี่นะอ่างไกลจากความออกระทึกครึกโครมไกลจากเสียงรถเสียงราไม่มีผู้คนมารบกวนมาก แต่ก็ใช่ว่ามันจะสงบเสียทีเดียวนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเสียงจากภายนอกมันก็มาถึงตัวเราได้ไม่ยากนะักทั้งที่เราอยู่นี่อยู่ในป่าอยู่ในกติมันมาทางโทรทัศน์มันมาทางวิทยุมันมาทางโทรศัพท์ ขนาดไกลจากเมืองนะไกลจากผู้คนก็ยังหาความสงบได้ยากเพราะว่ามันก็มีเสียงมารบกวนเราแต่อันนี้ก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากน ะ, ะถ้าเกิดเราห้ามไม่ให้มีโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์ ไม่มีสื่อกลางให้เสียงต่างๆเข้ามาความสงบความสงัดก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยคนเราก็ยังโหยหาเสียงเหล่านี้นะยิ่งเี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่มีแค่โทรทัศน์วิทยุ หรือว่าโทรศัพท์นะมันมีสื่อที่ไม่ส่งเสียงนะก็คือข่าวสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะอีเมลก็สามารถจะทำให้ความสงบสงัดของธรรมชาตินี่มันมันกลายเป็นหมันได้นะเพราะว่าพอได้ อ่านข่าวคราวเรื่องราวข้อมูลข่าวสารโดยพ่อะข่าวสารบ้านเมืองไอความสงบสงัดด้านสิ่งวันล้องก็อาจจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าจิตใจร้อนรุ่มอยู่ในป่านะแต่ว่าจิตใจก็ร้อนรุ่มได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมีข้อมูลข่าวสารที่ หลายหลังท่วมทนเราเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนนะที่เขาแสวงหาความสงบสงัดจริงๆชนิดที่ว่าไม่ต้องมีสัญญาณอะไรมารบกวนไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรทัศน์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไปในที่ ติดต่ออินเทอร์เนต็ตไม่ได้เดีย๋ยวนี้มีรีสอร์ทหลแห่งนะไม่ใช่ที่เมืองไทยนะเมืองนอกในอเมริกาในยุโรปเนี่ยรีสอร์ทที่ไม่อนุญาตให้สัญญาณต่างๆนะเข้ามารบกวนแขกแล้วก็รีสอร์ทแบบนี้ก็ราคาแพงนะไม่ใช่ว่า ราคาถูกๆเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการมากเลยเพาะของคนที่มีเงินซึ่งอยู่ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารทํางานนี้ก็เจอข้อมูลข่าวสารมาท่วมท้นยังไม่ต้องพูดถึงงานการที่เร่งรีบวาบุญอันนี้เขาก็แสวงหาไกลวิเวกแสวงหาความสงบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวมถึงการที่สัญญาณต่างๆเข้ามาไม่ถึงทังที่ไหนที่สามารถจะสนองความต้องการแบบนี้ได้นะเขาก็พร้อมจ่ายทั้งทั้งที่อยู่ไกลทั้งทั้งที่สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีไม่มากที่จริงเนี่ยถ้าหากว่า มีวินัยจริงๆนะไอการที่จะหนีหรือห่างไกลาจากสิ่งรบกวนทางด้านข้อมูลข่าวสารก็ไม่ยากหรอกก็เพียงแต่ปิดโทรศัพท์นะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเอาโทรทัศนะ์วิทยุติดตัวมามันก็หมดปัญหาไปได้เยอะแล้ว แต่ว่าคนสมัยนี้ก็ยังทําแบบนั้นไม่ได้ยังไม่สามารถจะควบคุมจิตใจตัวเองได้ก็เลยต้องอาศัยสิ่งว่ารอมเนี่ยมาเป็นเครื่องช่วยโดยพาตัวไปยังที่ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพราะไม่มีสัญญาณจะมาถึง จะให้ใจเท่าไหร่ก็เอาเพราะว่าเขาหวังว่าเมื่อมันมีสิ่งแวดล้อมที่สงบแล้วก็จะทำให้ใจสงบด้วย่ใจสงบนี่ก็เรียกว่าจิตวิเวกนะอันนี้สําคัญกว่ากายวิเวกสิ่งแวดล้อมสงบแต่ว่าถ้าใจไม่สงบมันก็ไม่มีความหมายนะบางคนนะถึงแม้ว่าจะ มาอยู่ในปา่าโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์วิทยุนะไม่สามารถจะรับได้แต่ก็ยังไม่มีความสงบในจิตใจเพราะอะไรนะเพราะใจมันว้าวุ่นสิ่งแวดล้อมนี่เอื้อมเหนืยทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าหาความสงบในใจไม่ได้เพราะว่าใจว้าวุ่น หลายคนพอมาอยู่ที่ที่สงบเนี่ยกับรู้สึกทรมานเพราะใจมันยิ่งปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นานาสารพัดยิ่งสถานที่ที่สงบสงัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะเช่นมีแมลงเยอะนะไม่มีเครื่องปรับอากาศ คนที่ยิ่งติดความสะดวกสบายก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดความไม่ชอบขึ้นมาไอ้ความหงุดหงิดความไม่ชอบนี่ก็เรียกว่าโทสะนะคนที่ติดความสะดวกสบายพอมาที่นี่เนี่ยโทสะมันจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวคือไม่พอใจที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก น้ำไฟก็ไม่พร้อมนะต้องนอนนอนไม้กระดานพอมีโทสะเกิดขึ้นแล้วเป็นไงใจกรร็รุ่มร้อนรุมรุมความความสงบก็หายไปแล้วมันมีความไม่สงบมาแทนที่ไม่สงบเพราะโทสะหรือบงทีก็ไม่สงบเพราะโลภะก็ได้โหยหา นึกถึงอาหารที่อร่อยที่ถูกปากนึกถึงความสะดวกสบายนึกถึงหนังนึกถึงเพลงอย่างพระบวญใหม่หรือว่านักปฏิบัติที่มาใหม่ๆเนี่ยก็จะหยหาสิ่งนี้พอมันมีความต้องการแบบนี้เนี่ยจิตใจก็ไม่เป็นสุขเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่าว้าวุ่น ไม่สงบเพราะโลภะนะหรือว่าเพราะราคะบางที่ก็หวยหาเกมนะห้อยหา f a c e b o o นะที่ติดติดหนึบเลยนะคนที่ติดในราบสักการะนี่ก็จะมีอาการแบบนี้เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงเปรียบเทียบถึงหมานะหมาขี้เรื้อน มันไม่ว่าจะนอนที่ไหนไม่ว่ามันจะอยู่ในอิียบทไหนมันจะอยู่ในถ้ำอยู่ใต้โคนไมอ้อยู่ที่โคนไม้หรือว่าอยู่ในบ้านมันก็กระสับกระส่ายมันต้องเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยแล้วมันก็คิดว่าที่นั่นก็ไม่ดีที่นี้ก็ไม่ดี แต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังมันมีแผลตามภาษาหมาขี้เลือนแต่ไปทษสิ่งแวดล้อมไม่ได้กลับมาดูตัวเอง้เจ้าก็เปรียบเหมือนกับพิสุนะที่หลงติดในลาบสักการะอยากได้โนนอยากอยากให้คนมายกย่องสรรเสริญอยากได้ความสุดวกสบายอยากได้เงินทอง หรือว่าสิ่งปลนเปลอก็ไม่มีความสุขนะไม่มีความสงบในจิตใจอันนี้ก็เรียกว่าห่างไกลาจากจิตวิเวกหรือเกิดความหลงขึ้นมาหลงที่เช่นอยู่ในที่อยู่ในกุฏคนเดียวทั้นที่สงบนะแต่ว่า พอตกคํำนะก็ปรุงแต่งนะนึกว่ามีผีหรือเปล่ามีสัตว์ร้ายหรือเปล่านะการปรุงแต่งนะเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าความหลงแบบอย่างหนึ่งนะพอนึ้ปรุงแต่งไปสารพัดแล้วนะด้วยความไม่รู้ก็เกิดอะไรขึ้นเกิดความกลัว พอกลัวแล้วเป็นไงให้ความสงบในจิตใจก็หายไปเลยนังนจะเห็นได้ว่าโลภะหรือราคะแล้วก็โทสะโมหะเนี่ยถ้ามันถ้ามันคลองใจแล้วเนี่ยแม้ว่าอยู่ในที่ที่สงบสงัดแต่ว่าจิตใจก็ไม่มีทางที่จะสงบได้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมาก หความสงบในจิตใจเนี่ยจะไปหวังพึ่งสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวก็ไม่ได้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวประกอบไดาจะว่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้จะหาสิ่งแวดล้อมที่สงบสงัดก็ยากแม้แต่ที่นี่เนี่ยแม้จะไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรทัศน์วิทยุถึงแม้จะห้ามเอาสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้เข้ามามันก็ไม่ใช่ว่าจะหนีเสียงอุกทึกคึกโครมได้าชาวบ้านบางทีก็มีงานมีงานศพก็เปิดเครื่องขยายเสียงเปิดเพลงดังบางคืนนี่มีชายหนังกลางแปลงข้ามคืนจนรุ่งเช้าเสียงดังสนัน่น หลายคนนี่ก็ไม่พอใจอุตสาห์หนีจากกรุงเทพมามาเจอที่นี่เนื่อว่าจะได้ความสงบปล่าวมันหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าชาวบ้านนี่เปิดเครื่องขยายเสียงนี่ยิ่งดึกก็ยิ่งชัดนะถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ปิดหน้าต่างปิดประตูเปิดแอร์สบายมีแต่เสียงเครื่องปรับกาศ อุาสาหนนะีความวุ่นวายในเมืองมามาเจอเสียงดังงั้นถ้าหวังเอาความสงบสงัดจากสถานที่นี้ก็อาจจะผิดหวังได้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะคนที่เอาใจไปไปฝ่าไว้กับความสงบของสถานที่เนี่ยผิดหวังได้ง่ายนะนักปฏิบัติหลายคน โหยหาเรียกร้องความสงบของสถานที่บางทีก็ผิดหวังไม่ใช่เพราะว่าชาวบ้านส่งเสียงดังบางทีในวัดนั่นแหละนะมีเสียงดังมีเสียงก่อสร้างมีเสียงรถจิบต่อเข้ามาขนทรายขนหินแน่นจะหวังความสงบจากสิ่งว่าล้อมหรือจะหวังกายวิเวกเนี่ยมันไม่พอนะ ถ้าหาว่าเราต้องการความสงบในจิตใจหรือจิตวิเวกนี้ต้องรู้จักพึ่งตัวเองเพึ่งยังไงนะก็คือการมีสติรู้ทันรู้ทันโลภโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นเวลาใจมันอยากก็เห็นความอยากที่เกิดขึ้นเวลาใจมันหงุดหงิดนะ เกิดโทสะไม่พอใจนะก็รู้ทันเวทเวาจัมันปรุงแต่งด้วยความหลงนะก็จะไปหลงเชื่อมันนะเสียงดังกอกแกกกอกแกแกข้างนอกนะหรือว่าเสียงฝีเท้าเดินคล้ายคเสียงฝีเท้าคนเดินหลายคนเนี่ย ได้ยินบอกได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่รอบกุฏกลัวเลยที่จริงถ้าลองเปิดประตูอาเฟย์ชายสองก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่คนหรอกมันเป็นหนูหนูเวลามันเดินอยู่นอกกุฏิเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเวลามันเหยียบใบไม้แห้งเสียงดัง แต่ความหลงนะผสมความกลัวก็ปรุงแต่งว่ามันเป็นเสียงเสียงคนเดินก็ยิงกลัวเข้าไปใหญ่นอนไม่หลับเลยนะอันนี้เรามีสติรู้ทันความกลัวนะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อความคิดที่ปรุงแต่งตอนที่ตอนที่มาใหม่ๆนะที่ที่นี่มาวันแรกๆเลยอาตมาก็ไปพักที่หอไตรสมัยนะั้นไม่มีกุฏิพอ อ๋อตาสมัยก่อนไม่ตรงนี้นะอยู่ตรงข้างบนบนเขาพระท่านก็บอกว่าถ้าเดียินเสียงผู้หญิงร้องนะอย่าตกใจนะผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือโอ้ยโอ้ยอย่าตกใจนะมันอีเห็นมันไม่ใช่เสียงผู้หญิงร้องนะ นี่ถ้าไม่รู้นะเราก็จะปรุงแต่งโอ้ยเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนแถวนี้มีม่านหน้ากด้วยเนี่ยฮนี่หลงนะหลงเพราะไปเชื่อความคิดยิ่งกลวัวแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเอ้ยสติรู้แล้วลึกถึงคำเตือนของผู้ที่มาอยู่ก่อนหรือว่าตั้งคาถาม เวลามีอะไรผิดปกติขึ้นมาก็ให้สมมุติไว้ก่อนให้ทึกทักไว้ก่อนหรือให้นึกไว้ก่อนว่าเป็นเสียงธรรมชาติเราก็จะหายกลัวในปีต่อๆมาต่อมาก็ไปพักอยู่ในกุฏิหลังหอไตรประมาณทักตีหนึ่งตีสองก็ยินเสียงตบตบข้างฝาจากด้านนอกเสียงตบตึงตึง ก็อยู่ประมาณเหนือศีรษะอ้างหน่อยตื่นขึ้นมาประสบการณ์ก็สอนเราว่าอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรนะให้คิดว่ามันเป็นเสียงธรรมชาติพอคิดแบบนี้ก็ไม่กลัวก็คว้าไฟฉายแล้วก็เดินลงมาจากกุฏิแล้วก็เดินอ้อมไปที่ข้างฝาก็ปรากฏว่าเป็นตุ๊กแกนะมันมันจับ มันจับสักริ์เล่ดามก็ฟาดกับข้างฝามันคาบแล้วก็ตีข้างฝาให้ตายนี่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็ตกใจเฮ้ยใครวะมาเล่นตลกกับเราหรือว่าผีหรือเปล่านะแต่ว่าประสบการณ์สอนเรา ว, ว่าอะไรก็ตามที่มันผิดปกติเนี่ยมันไม่ได้ผิดธรรมชาตินะ มันคือเสียงของธรรมชาตินี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็ว้าวุ่นเลยวุ่นวายอยู่ในปา่าสงบสงบแต่ว่าใจไม่สงบเพราะความกลัวเพราะไม่มีสติสตินีสำคัญมากนะจิตตะวิเวกหรือความสงบในจิตใจเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสติรู้ทัน รู้ทันใจที่กัเพื่อมรู้ทันความคิดที่ปรุงแต่งเมื่อรู้แล้วก็วางและถ้ามีสติเนี่ยแม้ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อึกทึกนะมีเสียงรบกวนก็ยังสงบได้นะเพราะว่าเวลามีเสียงมารบกวนเนี่ยจริง ไอ้คำว่ารบกวนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเราเสียงก็เป็นเสียงของมันอยู่นั่นแหละแต่เราไปสรุปว่ามันรบกวนไอ้คำว่ารบกวนเนี่ยมันเป็นมันเป็นใจเรานะที่ที่ที่ให้ค่าหรือสรุปมันมีแต่เสียงนะจะรบกวนจะรู้สึกว่ารบกวนหรือไ ม, ม่อยู่ที่ใจถ้าใจไม่ชอบใจผักใสมันก็รบกวน แต่ถ้าใจมีสตินะมันก็เป็นศัก์แต่ว่าเสียงไม่มีรบกวนก็มีเรื่องราวนะเกี่ยวกับหลวงปู่บุตรดาอันนี้ให้ง่ายคิดที่ดีหลวงปู่บุตดาท่านก็มรณภาพไปยี่ปีมาแล้วตอนนั้นตอนที่มรณภาพท่านก็อายุประมาณ101ปี ตอนที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเมื่อสักสี่0หปีที่แล้วเนี่ยมีโยมเข้ามานิมนต์ท่านมาฉันในเมืองในกรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงบุรีมาฉันเพลงเสร็จโยมเห็นว่าท่านชลาลวอยากให้ท่านพักก่อนที่จะกลับวัดก็หาห้องให้ท่านได้จำวัด หลงปู่ท่านก็เอหลังแล้วก็มีลูกศิษย์นะสี่ห้าคนมานั่งเป็นเพื่อนลูกศิษย์นี่เวลาจะคุยกันก็กระซิบกระซาบไม่อยากจะไม่ให้เสียงรบกวนท่านแต่บางเอิญห้องที่ติดกันเนี่ยคือเป็นห้องแถวนะอีกอีกซีกหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งที่ติดกันเนี่ยมันเป็นร้านค้าเป็นร้านขายของชำ เจ้าของเนี่ยเป็นอาซิมคนจีนสมัยก่อนเขาก็สวมเกี้ยเวลากระเดินเดีย๋ยพอขึ้นลงเนี่ยลงบันไดก็เสียงดังเสียงดังก็ดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่เอนหลังอยู่ลูกศิษย์ได้ยินก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พอใจก็บ่นนะเดินเสียงดังจังเลยนะไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านได้ยินนะท่านหลับอยู่แต่ท่าน ได้ยินท่านก็เลยพูดเบาๆว่าขอเดินของเขา อ, อยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกีย้ยเขาเองนะเอาหูไปลองเกีย้ยมันก็เลยทุกเนี่เอาหูไปลองเกีย้ยก็เลยรู้สึกว่าเสียงมารบกวนและทําไมถึงเอาหูไปลองเกีย้ยก็เพราะไม่มีสติหูก็เลยเป็นหูหาเรื่องนะเสียงมันก็เป็นมันก็ดังของมันอย่างนั้นนะถ้าเราไม่มีสติมันก็เป็นเสียงรบกวน ไม่ได้รบกวนที่ไหนไม่ได้รบกวนที่หูรบกวนที่ใจแต่ถ้ามีสตนะนะิก็สักแต่ว่าได้ยินถึงแม้จะอาจจะเผลอหนุดหงิดไปบ้างพอเห็นความหงุดหงิดเห็นความไม่พอใจมันก็สงบลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าใจสงบแม้ว่าเสียงจะดังจากรอบข้างเรื่องของ ความสงบที่ใจเนี่ยนะมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าใจเรามีสตนะิและสิ่งที่ประเสริฐกว่าสตินะก็คือปัญญานะสตินี่นะสหรับปุถุชนแล้วมันก็ให้ความสงบชั่วคราวนะแต่ว่าปัญญาเนี่ยมันจะช่วยทำให้ สามารถจะรับมือนะกับความว้าวุ่นในจิตใจได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าความว้าวุ่นความไม่สงบในจิตใจกเกิดจากโลภะโทสะโมหะเพื่อเกิดจากกิเลสนะกิเลสถ้ามาคล่อ ง, งาำจเมื่อไหร่จิตใจก็ว้าวุ่นนะไม่สงบสติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลส อันนี้ผู้เจ้าเคยตรัสไว้เคยมีคนถามผู้พระพุทธเจ้านะอชิตะมานพอาจารย์ให้ส่งให้มาถามมาลองภูมิพระพุทธเจ้าอชิตะมานพก็ถามว่าอะไรเป็นเครื่องอกั้นกระแสะกิเลสไม่ให้ท่วมทนใจพระพุทธเจ้าก็ตอบว่า สติเป็นเครื่องกั้นกระแสะกิเลสและพระองค์ก็อธิบายต่อว่าปัญญาเนี่ยนะเป็นเครื่องระงับกระแสะกิเลสคือทำให้กระแสะกิเลสหมดไปไม่ใช่แค่กั้นเอาไว้คือทำให้หลุดหรือทำให้กระแสะกิเลสนี่มันเกิดแห้งหายไปทำไมเราถึงมีกิเลสนะ นะเพราะเรามีความอยากความยึดเรามีความอยากความยึดอยากให้สิ่งทั้งหลายมันเที่ยงหรือว่ายึดว่าสิ่งทั้งหลายต้องเที่ยงยึดว่าสิ่งทั้งปวงต้องเป็นสุขหรือให้ความสุขกับเรายึดว่าสิ่งทั้งปวงต้องหรือสิ่งที่เรามีนะคือเป็นเราเป็นของเรา ความยึดอยางให้สิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเป็นตนพอสิ่งต่างๆเกิดไม่เที่ยงขึ้นมาเราทุกเลยเนะเช่นร่างกายนี้พอมันเริ่มแก่หรือว่าพอเจ็บป่วยเนี่ยทุกเลยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความเศร้าขึ้นมาหรือว่ามีคนขโมยของเราไปเกิดความโกรธ มีคนชิงคนรักของเราไปก็โกรธหาว่าเอาของกูไปเอาเของกูไปความยึดว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยความยึดว่าสิ่งต้องพวงเที่ยงสิ่งต้องพวงนะเป็นสุขให้ความสุขกับเราเนี่ยนะมันเป็นความหลงที่ทําให้เป็นความหลงที่สวนทางความเป็นจริงเพราะเสียงต่างนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่สามารถยิวมาเป็นเราเป็นของเราได้แต่พ่อไม่เห็นความจริงอันนี้ก็คือมีอวิชชาก็เลยเกิดความทุกข์เมื่อสิ่งต่างๆมันแปรปรวนไปมันเสื่อมไปหรือว่ามันพัดพลาดนะจากเราไปพอเกิดความทุกขนะ์ซึ่งอ่านใน่วงโทรสักก็ดี ความโกรธความเศร้าเสียใจก็ดีจิตใจก็ไม่สงบและให้ความไม่สงบเนี่ยในจิตใจเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็เกิดจากกิเลสนะที่มีอวิชชาเนี่ยนะเป็นต้นกําเนิดแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญญานะเห็นว่าอ๋สิ่งทั้งปวงก็ไม่เที่ยงนะสิ่งทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ ไม่สามารถจะหวังความสุขจากมันได้สุขที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่ชั่วคราวและสิ่งทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จะพึ่งพาอาศัยหรือจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้เมื่อมีปัญญาเห็นเช่นนั้นเนี่ยใจก็จะวางไม่ยึดต่อไปเมื่อใจวางสิ่งนั้นลงไปใจก็เป็นอิสระ เหมือนกับเคยแบกก้อนหินคิดว่ามันเป็นนุ่นนะคิดว่าเป็นเป็นของดีของวิเศษแต่พอรู้ว่ามันเป็นของหนักก็วางเลยนะวางแบบไม่ต้องมีใครมาสอนวางเองหรือเคยคิดว่าฐานแดงๆเนี่ยมันเป็นเพชรเป็นพลอยแต่พอรู้ว่ามันไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยนะมันคือฐานมันเป็นของร้อนก็วาง ปัญญาที่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถจะฝากความหวังหรือเอาความสุขไปผูกติดกับมันได้เนี่ยก็ทำให้วางนะกิเลสก็หมดไปเมื่อหมดไปนะใจก็สงบไม่ถูกกิเลสลุมเร้า จิตที่สงบจากกิเลสเนี่ยนะเป็นจุดหมายสูงสุด ข, ของการปฏิบัติท่านเรียกว่าอุปทิวเวกนะอุปทิวเวกนี่นะประเสริฐที่สุดนะนะประเสริฐกว่าจิตวิเวกอีก น, นะจิตวิเวกเนี่ย จ, จะเป็นความสงบเพราะไม่ไปรับรู้เสียงรบกวนเช่นปิดหูปิดตาอยู่ในห้อง ก็อาจจะเกิดความสงบได้เพราะว่าไม่มีเสียงรบกวนปิดโทรศัพท์ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตใจก็สงบได้แต่ถ้าออกมาจากกุฏิออกมาจากป่ากลับบ้านเจอความวุ่นวายมีเสียงรบมีเสียงสัญญาณมาทางโทรศัพท์ว่าวุ่นมีสิ่งรั่ว อ, อ่ยั่วยุ หรือว่าร่อเราให้เกิดความอยากเห็นโฆษณาตามป้ายหเห็นโฆษณาตามหนังสือพิมพ์เกิดความอยากขึ้นมาความสงบกระเจิงเลยนะเพราะว่ามันอยากได้ใครเดียวกันก็อยากผักสาเพราะความโกรธที่มีเสียงดังต่างๆให้ความความสงบที่ใจเพราะต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมนะมันเป็นความสงบที่ ชั่วครั้งชั่วคราวตราบใดที่กิเลสไม่ได้ลดนะก็ยากที่จะมีความสงบอย่างแท้จริงมีสำนักปฏิบัติทําหลายแห่งที่นะผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าปฏิบัติแล้วเกิดความสงบนะแต่มเป็นความสงบที่ไม่ได้ลดกิเลสเลยเวลานี้ฝรัง่งสนใจเรื่องสมาธิมาก ยอมเสียเงินกับเป็นหมื่นๆเพื่อมาทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายเพื่อให้หายเครียดเพื่อให้มีความสงบแต่ว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดกิเลสเลยกิเลสก็ยังมีอยู่และที่มาปฏิบัติเพื่อว่าใจสงบกลับไปก็จะได้ไปหากำไรเมคมั money, นนะี่ให้มากกว่าเดิม อันนี้เป็นแรงจูงใจของฝรั่งจำนวนมากรวมทั้งคนไทยด้วยจำนวนไม่น้อยที่หันเข้าหาสมาธิเพราะว่าจะได้กลับไปเมคมันนี่หรือว่าหาเงินให้มากขึ้นตาบใดที่ยังมีความโลภแบบนี้เนี่ยไอความสงบในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวแม้จะได้กาไรมาหลายพันล้านก็ยังทุกอยู่ มีคนหนึ่งเขาเป็นอาสาสมัครให้ําปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนเขาเล่าว่าวันหนึ่งก็มีคนมาปรึกษาท่าทางเป็นคนมีเงินเป็นนักธุรกิจเวลาโทรสา์มาแบบนี้เขาไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าฟังจากปัญหาที่เขาเล่าเนี่ยท่าทางจะเป็นเศรษฐีเป็นนักธุรกิจใหญ่ก็มีความทุกข์ก็ถามว่าทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะว่า ปีที่แล้วนี่กำไรได้แค่ 5,000 ล้านเองนะกำไร5 0 0พันล้านยังทุกเลยนะเพราะอะไรเพราะปีก่อนโน้ตกำไรหมื่นล้านเนะนี่ยขนาดห0ันล้านยังทุกเลยเพราะเพราะความโลภเนะพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความสงบจากสมาธินะแต่ถ้ากิเลสไม่ได้ลดนะไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราว แต่ถ้าปฏิบัติทมจนกระทั่งเกิดปัญญาโลภะโทสะโมหะหายไปหรือว่าบรรเทาเบาบางลงมันก็จะเกิดความสงบที่มั่นคงยั่งยืนเป็นความสงบเพราะอุปธิวิเวทอุปทิปะว่ากิเลสนะสงัดจากกิเลสเมื่อสงัดจากกิเลสถึงจะพบความสุขอย่างแท้จริงนะ ความสุบัรที่ต้องเกิดจากปัญญานะไม่ใช่แค่สมาธิชั่วครั้งชั่วคราวหรือไม่ใช่เพราะว่ามีสตนะิเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นทอ่นที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยถ้าว่าใจมีความสงบนะก็อย่าพิ่งอย่าพิ่งตายใจนะเพราะว่าความสงบที่เกิดขึ้นจเป็นความสงบเพราะสิ่งแวดล้อม เพราะว่าไม่มีคนมารบกวนเพราะไม่มีงานการทำนะหรือเพราะว่ารู้ทันความคิดวางมันได้แต่ตาใดที่ยังไม่มียังไม่มีการปฏิบัติจนถึงขั้นเกิดปัญญาชนิดที่ถอนกิเลสออกไปได้เนี่ยนะมันก็ให้ความสงบที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ หาความแน่นอนไม่ได้ก็อย่าพึงพอใจเพียงเท่านั้นะหรือว่าหยุดเพียงเท่านั้นแต่ว่าให้ปฏิบัติต่อจกนกระทั่งเกิดปัญญาถ้าปฏิบัติธรรมเจริญสติแล้วกิเลสไม่ลดอัตตาตัวตนไม่ได้บรรเทาเบ า, บาบางลงไปอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานะเพราะแก่นแท้พุทธศาสนาการทํากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมก็ทําให้กิเลสลดลงนะ ตัวตนเล็กลงไปเรื่อยๆหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนบันเทาเบาบ า, บางโลภโกรธหลงลดลงถ้าสิ่งนี้ยังไม่ลดนี่ก็เท่ากับ ว, ว่าการปฏิบัติธรรมของเราก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควรแล้วก็คำนี้ก็พูดกันทานี้นะครับครบ